แล้วจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวก็หายากนคนเราจะมีชีวิตอยู่ยืนยากวก็หายากโดยมีโรคภัยไข้เจ็บมาบั่นทอนชีวิตของเราให้เป็นไปต่างๆนาน า, นาเราก็ต้องหาทางแก้ไขไปเรื่อยๆซึ่งพวกเราก็คิดว่า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 กิจทำงานมากกว่าร่างกายร่างกายนั้นมีเวลาพักทำงานเป็นเวลานะแต่ส่วนกิจนั้นเขาทำงานอยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเนียวลองสังเกตนะคนเราไม่เคยสังเกตดูที่เราพราะส่วนมากก็ส่งใจออกไปข้างนอกทั้งหมดยังไม่มาสำรวจตรวจตา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 เป็นผู้ก่อเหตุก่อเรื่องอทั้งภายนอกภายในก็คือกิจฉะนั้นเราต้องมีใจมีสติควบคุมอ่าสิ่งเหล่านั้นให้อยู่เป็นกลางกลางให้อยู่พอดีได้เมื่อเราควบคุมได้เราก็มีความเบาใจเบากายได้ถ้าเราค ว, ควบคุมมันไม่ได้มันก็จะทำํำมันก็จะทำนาความเดือดร้อนมาให้แก่เรา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 อคุณนามไปเป็นไวยพศ์เป็นไพจน์ใช้แทนกันได้เช่นท่านเรียกว่มโนโบ้างวิญญาณบ้างกิจบ้างมโนโบ้างคือใช้แทนกระอาแทนใจได้เท่านั้นเองแต่ขอให้จําได้จําไว้ว่าหลักจริงๆนั่นก็คือใจกับสติสติก็คือใจใจก็คือสติที่จะต้องคอยดูครอบคุมดูแล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 มันจะสั่งจะสอนจะแนะนำอยู่ทุกพิธีเก้าทุกวินาทีนั้นก็คือธรรมะนั่นเอง <S 2> <S 2> ปสัสจากธรรมะไม่ได้ไมีแต่ธรรมะการปฏิบัติธรรมะการศึกษาสมะนั้นธรรมะตัวธรรมชาติจริงๆนั้นนะ่ะมันจะแนะนำพัมสอนตักเตือนเราอยู่ทุกวินาทีนั่นนะ่ะคือธรรมะมธรรมะเอามาปฏิบัติ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 เท่านั้นเองฉะนั้นเราต้องละเหตุของมันละเหตุทอะไรคือละเหตุแห่งความอยากคือกิเลสตัณหานั้นละเหตุของมันเสียอเราจึงจะพบกับอสันติสุขสันติภาพได้ี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอให้พวกเราพิจารณาไตรตรองในที่นี้แห่งี น, นเรื่องของเราทุกคน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 อ่าแล้วก็สร้างส่วนเกินด้วยได้สร้างส่วนที่ไม่จําเป็นสําหรับชีวิตของเราด้วยอ่าว่าแ ต, แต่ขอให้ทำขอให้สร้างมากๆเอามากๆทํามากๆเอามากมากมีแต่ส่วนเกินนะเหมือนกับเราบางบา ง, บา ง, บางขนาดบางคนก็สร้างบ้านไว้สองสามหลังสี่หลัง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 พาอไม่หายก็มีแต่ตายลูกเดียวเขาก็บอกเลิกหมดแล้วหลวงพ่อก็เตือนตัวเองว่านี่เจ้านะยังไงเจ้าก็ต้องตายแน่นอนพราะหมอเขาก็บอกเลิกหมดแล้วอันนี้ขาเลี้ยวลอดไม่ทำงานลอดมันหลอดดำเข้าไป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 เขาจะไปอะไรเราก็ไม่ถามเขาก็นั่งรถไปเรื่อยๆอนจนถึงที่ใดที่หนึ่งนี่แหละรถก็ไปชนเข้าโขกหินเขาก็เลยบอกว่ารถก็จอดอบอกว่ามาส่งท่านแค่นี้แล้วก็รถเป็นอะไรก็ไม่ได้ดูก็ลงจากรถเขาก็เดินขึ้นไปน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 แล้วเราจะไปยังไงไม่มีเรือไม่ีแพอะไรเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าเอพระกรรมฐานนี่เขาบอกว่าเหาะได้ว่างั้นนี่เออก็เลยลองดูซิกัเลยยกมือปนมมือขึ้นมาอ่านกมือปน ม, มือว่าปรากฏว่าตัวลอยข้ามฟากไปโน่นไปที่บ้านที่มีไฟอ่ะอืมเนี่ยเลยเล่าให้หลวงปู่เหรียนฟังตรงนี้นะท่านบอกว่า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 นัตถิตัญหาสมาณทีแม่น้ำเสมอด้วยตัญหาไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดเราทาเราอยู่เรากินเราทำงานทำการทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยตันหาตัวนี้เองความอยากความนั้นอ่ะมันพาทาพาไปพาอยู่ทีนี้้าสังคาล่ะ้าสังคาหลวงปู่ท่านว่าเป็นผ้าสังคานั่นเอง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 เขาก็จะจัดที่ให้ฉันฉันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะนิมนต์ไปพักผ่อนเหมือนโยมนิมนต์หลวงพ่อไปพักผ่อนเมื่อกี้นี้เนะี่ยไปพักผ่อนก่อนแล้วเขาก็ จ, จัดจัดห้องให้พักผ่อนถ้าจัดขั้นเข้าไปพักผ่อนในห้องแล้วนั้นนะ่ะท่านบอกว่าไปปฏิสนธิใหม่แล้วทางนั้นก็ตายทางนั้นก็หมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องนั้นแล้วไปพักผ่อนในห้องนั้นนะ่ะ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 ก็เลยต้องเตะทั้งทั้งหัวกระทุ้งทั้งเตะทั้งเทปล้ว ง, งั้นที่ว่าเอเขาบอกว่าแม่ที่ว่าไ อ, อ้ลูกมันดิ้นนะลูกดิ้นอยู่ในท้องนะ่ะคุณใดเคยใครเคยมีลูกนะถ้าใครเคยมีลูกว่าลูกคนไหนมันดิ้นอยู่ในท้องนะ่ะมีไหมมีใช่ไหมคนคนไหนเคยมีลูกมีท้องก็คงจะรู้นะเนาะนั่นแหละมันดิ้นที่จริงนั่นไอ้ทาประตูทําประตูออกหาทางออกว่า ง, งั้นนะ